ลมที่ล่วงไปแล้วมาถึงครองทวารมีไม่พอแม้ถึงความเกิดขึ้นของชวนะชื่อว่าปริตารมมีไม่พอแห่งการที่จะเป็นปัจจัยกับชาวนะจิตเนี่ยชื่อปริตารมณ์ดูปริตารมวิถีวธฏฐปณะไปด้วยนะในปริตอารมณ์วิถีนี้แม้ว่าชาวนะก็ไม่เกิดขึ้นวธฏฐปณจิตเท่านั้นน่ยย่อมเป็นไปสองถึงสขณะสองหรือสาวานละต่อจากนั้นก็มีการตบผวังทีนี้อารมณ์ที่ล่วงไปแล้วคืออารมณ์ที่มีอายุ ร่วงไปแล้วเน่ยเทียบได้ ก, กันกับขนาดจิตที่ร่วงไปแล้วเนี่ยนะีคือที่เรียกว่าตีตาพวังเนี่ย <_ s 1> เกิดกี่ขณะเกิดกี่ขณะสีเป็นต้นไปนะ <_ S 3> <_ S 1> มีไม่พอแก่ความเกิดขึ้นแห่งโวนะคือมีอายุเหลืออยู่ไม่เพียงพอให้ถึงความเกิดขึ้นของชวนะนเจ็ดขณะลองไปนับดูที่อายุที่เหลืออยู่เนะี่ยไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยกับชวนะเจดขณะได้อารมณ์ที่มีอยู่เนะี่ยจะมีอายุเหลืออยู่ถึงฐานานะความเกิดขึ้นแห่งโฉนะเนี่ย ถ้าหากว่าสูงที่สุดเทียบได้คือ6ขนาจิตก็ไม่เป็นปัจจัยแก่ชาวนะเพราะอะไรถามว่าเพราะอะไรเพราะเขาสามกําลังโดยรอบด้านกําลังเขาน้อยประดิษฐอารมณ์เนี่ยทำไมอารมณ์อ่ะอารมณ์น่ยมันน้อยเนี่ยกําลังเขาน้อยไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยแก่ชาวนะได้ถึงแม้ว่าเราดูดูอารมณ์ที่เหลือในวิถีแรกที่มีอัตีิตะวังสี่ขนาดสี่ขนาดชาวนะ ไม่มีจะไม่วอดธรรมน่ากินไปสาที่จริงอ่ะสมมติอ่ะถ้วอธรรมน่าเกิดขึ้นมาเลยเ อ, ลนนอ่ะเราก็นับตัวอารมณ์จะไปดับที่ไหนอารมณ์จะไปดับที่ไหนามาโอเคต้องนับดูดูต้องนับดูในวิธีดูจะไปดับที่ไหนทำไมถ้าคือการตั้งขึ้นของอารมณ์จะต้องสิบเจดขณะทีนี้อตีตวังไปสักสี่พระวังกัจลันะห้าหพระวังคุปเฉทะเจปัญจทวารราชนะแปดจักขูวิญญาณ เกสัมปติสิ10สันตีแล้วนะถ้าโวททพน า, 1, าหนึ่งก็จะเหลือจะเหลือหใช่ไหมวนาจะเกิดได้หใช่ไมไม่สามารถจะเป็นไปได้เพราะไม่ใช่มหันตารมวิถีหรือไม่ใช่วิถีอื่นนี่เป็นป ร, ริสตารมอารมณ์นั้นเขาสามกำลังมีอนุภาพน้อยด้วยคำว่าเขาสามกำลังรอบด้านนี่ต้องเข้าใจตรงนี้จากคูประศาสตร์ถ้าทางทวานตานะรูปารมณ์แสงสวา่างมนสิการ าการจัวนนาเราเช่นนันี่ยเาสามหมดเลยเขาเขาเขาไม่สมบูรณ์นีเมื่อไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่สามารถเป็นปัจจัยให้ยกตัวอย่างเช่นอารมณ์นั้นก็ไม่ไม่เด่นชัดจนเกินไปอย่างนี้เป็นไม่แรงจนเกินไปนี่ยเขาสามกําลังรอบด้านเหตุเพราะความที่อายุนั้นน้อยนั่นแหละก็อายุเหลือคนน้อยด้วยว่าชาวน้ําเมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นนอารมณ์ที่มีอายุมากพอที่จะให้ตนเป็นไปได้เจวาระถ้าจะเกิดนะ โดยข้อกำหนดเป็นชวนะนิยมโวนะนิยมคือความแน่นอนของโวนะหากมีอายุไม่มากพอที่จะเป็นไปเจ็ดวาระาโาวนะ น, น, นั้นก็ย่อมเป็นไปแม้เพียงขนาดจิตเดียวมีใช่ไม้มโฉนะขนาดจิตเดียวเพราะฉะนั้นปริตารมวิถีนี้จึงอันสิ้นสุดลงตรงที่โวตทวนะเป็นอย่างนั้นโวตทวนะสองสามวาระมีความหมายโวตทวนะเป็นไปสองวาระบ้างสามวาระบ้างนี่ถามว่าจะอธิบายอย่างไร อารมณ์ที่นับว่าเป็นปริตอารมณ์นี้ย่อมเป็นอารมณ์ที่มีอายุล่วงไปแล้วเหลืออยู่เพียงพอให้วัฏฏพนะเป็นไปเกินกว่าสี่วาระก็ได้ไหมได้ไหมอารมณ์ยังเหลืออยู่มีไหมมีไหมอ่ะยกตัวอย่างเช่นที่มีอตีตะวังสี่ขนาดเนี่ยสี่ขนาดเนี่ยวัฏฏพนะเป็นไปแล้วสามขนาดอารมณ์หมดหรือยังทําไมไม่มีวัฏฏพนะต่อเป็นสี่วาระบ้างล่ะทำไมมีแค่สามล่ะเพราะเหตุอะไร ถามว่าถ้าจะเป็นไปมากกว่าสามสามขนาดจิตได้ไหมเพราะโอดทัปนาเนี่ยโอดทัปนาจิตนั้นน่ะเนี่ยถามว่าเป็นไปเกินสามขนาดได้ไหมเพราะอารมณ์มันยังเหลืออารมณ์ยังเหลือใช่ไหมไม่ได้ไม่ยอมสุรีเพราะนี่เลยโอันาเ น, นีออกลู ก, ลกออกมุมนั้นเลยถามบอกว่าโอดทัปนจิตนั้นไม่อาจจะเป็นไปเกินสามเวลาเพราะจิตนั้นเป็นไปเกินสามเวลานั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ก็สําหรับจิตที่เป็นไปด้วยสามารถของอาเสวนะปัจจัยเท่านั้นคือจิตที่จะเป็นไปเกินสามวาราจิตนั้นจะต้องเป็นโชนะถ้าสี่วาราไปในนี้นะแต่ไม่ใช่พูดถึงอธิจะวังนะวิถีจิตนี่นะถ้าจะเป็นไปเนี่ยอย่างเดียวกันเนี่ยชื่ออย่างเดียวกันถ้าเริ่มตั้งแต่สี่ขึ้นไปเนี่ยต้องเป็นพวกกลุ่มโชนะอย่างเช่นว่าจําได้ไหม ชาวนาะที่มีสี่แล้วเรียกเป็นชาวนาะที่เป็นการมาชาวนาะยกตัว อ, อย่างเช่นอมโนท ว, วารมโนท ว, วารเรเช่นไดนะแล้วก็ปริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูสี่ไหมสี่ไหมนั่นแหละเรียกว่าชาวนาะคือวัวทัพนะนเกิดขึ้นสามวาลัได้แต่สี่เป็นต้นเนี่ยไม่ได้เพราะไม่ใช่ชาวนะามไม่เออ ไม่ใช่ชาวนะหนึ่งได้ไหม <Yeah. S 1> ได้สองก็ได้สามก็ได้เออส่วนมีอาจารย์อีกองหนึ่งเนะืท่านว่าอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระอนันทาจารย์อาจารย์ผู้แต่งดีกาพระพิธรรมอธิบายความเป็นไปของวิถีจิตในปริตาลวิถีเอาไว้อย่างว่าวิถีจิตที่มีวัฏฏพันะ์เป็นที่สุดไม่มีหรอกท่านว่างั้นไม่มีหรอก เพราะว่าวทาทภนะเมื่อเกิดขึ้นย่อมเป็นไปด้วยการเป็นอนันตปัจัยกับคุสลณโชนะและอกุศลณโชนะและกิริยาโชนะท่านว า, างนะ ท, ท่านวงท่านบอกว่าเอโวทนาทภนะนี่ที่จะเกิดขึ้นเลยร้อยไม่มีถ้าวธทภนะเกิดขึ้นจะต้องเป็นวัจจัยแกกุศลณโชนะอากุศโณโชนะและกิริยาโชนะ ในชั้นของ ก, า, กามากามวจรในกรารมาภูมินแน่นอนต้องเป็นอย่างนั้นย่อมไม่เป็นไปด้วยประการอื่นเพราะพระพุทธเจ้าตรัสอาวชนะจิต ท, ทั้งหลายไว้โดยความเป็นปัจจัยแก่ชวนะดังกล่าวเสมอและยกด้วยนะอาวชนากุสรานางขันธานางอากุสลานางขันธานางอนันตรปฏิเ ย, ยนะปฏิยโยยกในปัจจัยมาด้วยเนะบอกอาวชนะนั้นย่อมเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนันตปั จ, จัยแก่กุศลขันธ์ทั้งหลายแก่อากุศลขันธ์ทั้งหลายดังนี้เป็นต้น ก็โวตรพนะก็คืออาวชนะจิตนั่นเลยฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเขาจะต้องเป็นปัจจัยแก่อกุศลขันกุศลขันที่เป็นโชนาคือจะต้องเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นชวนะเท่านั้นนี่มาเป็นปัจจัยกับขันที่เป็นโวตทพนะขันที่เป็นโพวังเนี่ยถ้าท่านบอกว่าไม่ไม่มีไม่มีหลักฐานกล่าวอ้างเขาไว้เพราะฉะนั้นโวตรพนะเนี่ยไม่อาจ จะห้ามความเป็นไปของชาวนาทั้งหลายได้คือถ้าวัฒธรรมนาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ามีความเห็นว่าไม่สามารถที่จะห้ามความเป็นไปของของชาวนาได้เพราะในในประธานกล่าวไว้ใช่ไหมนางที่เรียกวาวชนากุสรานางขันฑานังกุศรานางขันฑานางอนันตราัย์เยนะปจปิโยนที่ท่านกล่าวกันไว้เนี่ยบอกว่าอาวชนาทั้งหลายย่อมเป็นปัจจัยแก่อนันตรากุศลขันเป็นอนันตรปั จ, จัยเป็นต้นนะแก่กุศลขันอากุศลขัน แล้วอาพยากตาขันที่เป็นกิริยาโวนะเออไม่ทกขอโทษที่ไม่ได้ไม่ได้ เ, เออได้ได้วธรรนธาเป็นได้หมดนั่นนะทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ความเป็นปริตรารวิถีจึงไม่อาจกําหนดได้โดยความเกี่ยวข้องกับการเป็นวอธรนธาสองสามวาระอย่างที่กล่าวนั้นทต่ว่าพึงกําหนดโดยความเป็นวิถีที่มีโชนะไม่สมบูรณ์นะได้ท่านเห็นอย่างนั้นคือไม่ครบเจ็ดวาระไงแล้วใช่ไหม ก็ได้ได้ 1, วอธรรมนะาะสหนึ่งชลหนะาะสหกเชลหนะก็ลงได้เนี่ยเพราะมีกําลังอ่อนเท่านั้นนั่นเที่ยวถ้าอย่างนี้าดา้ในคราวที่เป็นไปในหวาระในคราวที่สลบในคราวที่เป็นไปในห้าวาระในคราวที่ใกล้ตาย bacteria, เงี้ยก็ต้องเอาชวนะนี่ไปเกี่ยวข้องที่หวารเชลหนะาหกดวงเชวหน้าห้าดวงใกล้ตอนสลบตอนใกล้ตายอย่างนี้เป็นต้นน่เะ บางคนเนี่ยพอท่านแย่งมาอย่างงี้เห็นค้อยเลยนะท่านชายันเห็นคอ้อยไหมย่างเนึ่ยมาลุจิเห็นไหมเห็นค้อยตามไหยเนี่ย น, น่าคิดกันเนะี่ยจำเรย์เห็นปะท่านอาจารย์อานันทากล่าวไว้อย่างนั้นก็จริงเนะี่ยถึงกขนาดน่นนะบัณฑิตพึงทราบว่าโอกาสที่โวัฒนธรรมไม่อาจเป็น ไ, ไม่อาจเป็นอนันตรปัจจัยแก่ชาวนะ เพราะความบกพร่องแห่งปัจจัยมีอยู่ดุดจุดติจิตของพระขีนาศพของพระละหันเนี่ยนะไม่อาจจะเป็นอนันตรปัจจัยแก่ปฏิสนที่ในพบต่อไปนีม่มีได้คือการตายของพระลรหันทั้งหลายเนี่ยเป็นอนันตรัปัจจัยให้กับปฏิสนที่ต่อไปไหมไม่เป็นใช่ไหมเพราะความบกพร่องแห่งปัจจัยนั่นเองฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นบัณฑิตย่อมกําหนดปริตายรมิถีได้อย่างนี้ทีเดียวว่า โอ้ทพนาเนี่ยเป็นไปสองวาระสวาระได้เหมือนอย่างที่ปรากฏในอัตถกถาทั้งหลายนั่นเลยดังนั้นปัจจัยบกพร่องนั่นเองเขาจึงไม่สามารถเป็นปัจจัยแก่ชาวนะได้ถ้าเป็นวิถีธรรมดาก็ต้องว่าไปสิถ้าไม่ใช่ปริตตารมิถีใช่ไหมเพราะถ้าอารมณ์นั้นไม่เบาก็อีกอย่างทีนี้อารมณ์มันก็เบาปัจจัยก็บกบกพร่องเอาถ้าเพราะปัจจัยมันบกพร่องถ้าไปอยู่ในวิถีอื่นเนี่ยได้ เอาต่อไปอติปริตารมวิถีอติปริตารมเนี่ไมเดี๋ยวเดยวขึ้นอติปริตส่วนอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วถึงครองทวารมีไม่เพียงพอในการเกิดขึ้นของโวัฏทะปณะของวิถีจิตนี่ยนะชื่อว่าอติปริตารมในอติปริตารมวิถีนี้มีแต่ผวังกัจจารนะคือผวังไหวเท่านั้นไม่มีความเกิดขึ้นของวิถีจิตเลยเป็นวาล่าอะไรก็เรียกโมคะวาล่านะทีนี้อ คำว่าอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วเนี่ยคืออารมณ์ที่มีอาอยุล่วงไปแล้วเทียบได้กับขนาดของจิตที่ล่วงไปแล้วเนี่ยคือมีอาติตาวังตั้งแต่1 0ถึง15ขนาดจิตคำว่าไม่มีความเกิดขึ้นของวิถีจิตเนี่ยคืออะไรคือไม่มีความเกิดขึ้นของวิถีจิตนั้นก็เพราะว่าอาติปริตารมณ์นี่เป็นเป็นอารมณ์ที่มีอ า, อาอยุน้อยน้อยมากมากที่สุดด้วยนะอย่างมากก็มีเพียงเจขนาดจิตเท่านั้น ซึ่งมีไม่เพียงพอต่อความเกิดขึ้นของวัฏทะนาสองสามวาร ะ, ะอย่างมากก็เพียงแต่ทำะวังให้ไหวเท่านั้นเห็นไหมว่าลองนับมาดูทีในาติปรรตารมณนะ์เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านยังกล่าวว่ามีแต่ะวังกัจจาระเท่านั้นถามบอกว่าอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วสิบขนาดจิตแม้เหลืออยู่เจ็ดขนาดจิตก็ตามก็นั้นก็มีเพียงพอแห่งการเกิดขึ้นของวัฏทะนาหนึ่งวาระไม่ใช่หรือ ถ้าจะให้เกิดจริงๆเนี่ยวัทนะต้องเกิดได้หนึ่งขณะเพราะเหตุไรท่านยังกล่าวบอกว่าไม่มีความถึงพร้อมเหมิงชาวนะมีแต่พระวังกัจจรนะเท่านั้นถามเพราะอะไรน่าจะมีสักวัทวนะก็ได้นี่ใช่ไหมแต่ถามทําไมไม่ให้ตรงนี้พอถามเองเราก็ติดหมดเลยนะเ <c oughs> อาลองสมมุติลองอธิบายดูยทีลองลองลอ ง, ลองใช้เหตุผลอธิบายดูยที่ว่านอาติปริตาเราวิถีเนี่ยอตีถวังมาสิกถ้าเป็นพระวังกัจจารนะอีกหนึ่ง พวงคู่ประเจวทายหนึ่งแล้วก็ปัญจทวารแล้วชนะก็ได้เนี่เอาสิใช่ไมน้อยกว่าปริตาลิิรในวิจิที็ลวิจิตรีเจขมีสองชนะสองใช่เขายาจัเป็นปริตาลงวิจิตรแต่อันนี้เปอติปณิตาลงวิจินี่นะปัญญาเขาเนี่ยต้องน้อยกว่ามาก ไม่เพียงพอเขาบอกว่าโวอดทบนาจิตนั้นได้ชื่อว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกเชวหน้าปฏิปาทกรมมานัสกาคือมานัสการที่ยังเชวนะจิตให้ดําเนินไปเดียไหมถ้าตัวโวอดทบนาคือเมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การยังเชวนะทั้งหลายให้เป็นไปนะก็แต่ว่าในอารมณ์ที่มีอายุหมดไปก่อนหน้าไม่มีอายุเหลืออยู่เพื่อความเกิดขึ้นหนึ่งเชลหนะแม้เพียงวาละเดียวเท่านั้นอย่างนี้เขาจึงไม่เกิดมองเห็นไหมคืออย่างนี้ ไม่ใช่นี่ยังฟังจะเพิ <c oughs> ง่งฟังยังไม่ชัดนี่เริ่มแยงคืออย่างนี้โทษทัปนานั่นถ้าจะเกิดนั้นก็คือเพื่อประโยชน์แก่ชาวนะอารมณ์นั้นก็จะต้องกล่าวว่าเหลือเพียงพอแก่ชาวนะจะเป็นไป <c oughs> ใช่ไหมเพราะตนเองจะเกิดขึ้นมาเขาจะต้องเป็นปัจจัยแก่ชาวนะนั้นถูกต้องแล้วเพื่อประโยชน์แก่ชาวนะแต่ในปริตารมิถีเนี่ยเขเป็นให้ไม่ได้ เขาเป็นให้ไม่ได้เขาพยายามอยู่ตั้งหลายครั้งเห็นไหมอันนี้เขามองดูแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยจึงไม่มีประโยชน์ใดที่ก็จะเกิดเพราะถ้าจะเกิดก็แปลว่าจะต้องเป็นอารมณ์นั้นจะต้องเพียงพอแก่การโชนะจะเป็นไปในปริตารมิถีเนะี่ยจริงๆแล้วนะเขาต้องการจะทําให้โชนะเป็นไปนะแต่มันทำไม่ได้ปัจจัยไม่พอฉะนั้นในนี่ที่นี้มันไม่มีปัจจัยเพียงพอแก่การจะทําให้โชนะเป็นไป ก็มันมันมีอารมณ์เหลืออยู่ไหมล่ะใช่ไหมมันมีอารมณ์เหลือนี่ไม่ใช่ไม่เหลือแต่นี้มันไม่เพียงพอจริงๆนะในวิถีเนี้ยแม้เพียงวาระเดียวเท่านั้นอย่างนี้ประโยชน์อะไรก็จะพึงที่จะให้วอธรรมนธจิตขึ้นไปตัดสินอารมณ์นั้นประโยชน์นั้ น, นไม่มีเลยนะเมื่อไม่มีการทําประโยชน์วอธรรมนธาจิตก็ย่อมไม่เกิดขึ้นคือเมื่อไม่เป็นประโยชน์แก่ชวนะหรือประโยชน์แก่วิถีจิตเนี่ย โดยเฉาะประโยชน์แก่ชาวนะและมีภาวะที่จิตก่อนหน้านี้มีปัญจทวารแลวชนะจิตเป็นต้นน่ยนะจะถึงจากขูย ญ, ญาณจิตเป็นต้นเนี่ยนะไม่เกิดขึ้นในปฏิปิตารมวิถีนี้คือแม้มีอายุเหลืออยู่บัณฑิตพึงทราบอาถาธิบายตามลักษณะอย่างนี้ถามวันนี้ถ้าจะแย้งแหละในปริตารมวิถีนั้นน่ยชาวนะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันถ้าจะอ้างว่าอ้างว่าชาวนะนิยมเนี่ยว่าโวาทธรรมนะ เกิดไม่ได้เพื่อประโยชน์แก่ชาวนะได้ไหมแต่ถึงแม้ชาวนะเกิดไม่ได้โวอดธรรมนาก็ยังเกิดได้แม้ไม่เพียงวาระเดียวก็เกิดได้สามวาระเนะในปริตารมเนะี่ยถึงแม้ชาวนะเกิดไม่ได้เขาก็ยังทําให้วอธรรมนาเกิดได้นะเพราะเพราะเหตุหลายเจงเกิดได้เมื่อไม่มีประโยชน์แก่แก่การเกิดขึ้นของชาวนะใช่ไหมถ้าจะถามเนะี่ยเอ๊ะทําไมจึงเกิดได้ก็เช่นเดียวกับในปริในอติปริตารมนะนะั่นเลยคือปัจจัยไม่นอนเนี่ ถ้าอย่างนั้นก็จะกล่าวยังให้ยัง อ, ยงอื่นอีกกว่าในปริตาอารมณิทีนี้เวททะนะวาระยังเกิดได้เพราะยังมีอายุของอารมณ์เหลืออยู่เป็นปัจจัยแก่ดชาวนะของเขายังเป็นปัจจัยเก่ดชวนะนะจริงๆแล้วใช่ไหมแม้ว่าอายุของอารมณ์จะเหลือน้อยเกินไปจนปิดโอกาสชาวนะที่จะต้องเป็นไปจนครบเจ็ดวาระก็ตามก็อธิบายว่าชาวนะนี่นะเกิดไม่ได้เองเพราะเหตุอื่น ชาวนาที่เขาเกิดไม่ได้เพราะเหตุอื่นนะไม่ใช่เหตุของวธัธฏนะปัะเหตุอะไรขาดข้องด้วยข้อกําหนดอันเป็นชาวนานิยมไม่ใช่เพราะขาดอารมณ์ใช่ไหมเพราะอารมณ์ยังมีอายุเหลืออยู่พอเป็นปัจจัยแก่ชาวนาได้เมื่อยังไม่ขาดอารมณ์โวัฏฏรปนะก็ยังอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นได้เพื่ออันจะยังชาวนาให้แล่นไปหรือให้เกิดขึ้นนะถึงความพยายามอยู่สามวานละชาวนาก็ไม่เกิดแล่นไปในอารมณ์นั้นก็สิ้นความพยายามไปใช่ไหม ถ้าในในวอในในในปริตารมวิถีนะ<ม> เ, ขเขาพยายามนะพยายามจะทําให้ชาวนะแล่นไปเนะ้ถึงสองถึงสามขนาดเนะืแต่อารมณ์นั้นเป็นปริตารมเสียก็เลยไม่เป็นปัจจัยแก่ชาวนะอารมณ์มันน้อยมันอ่อน น, นั่นเองคือเขาวอธรรมน้าเขาพยายามจะทําชาวนะให้แล่นไปนั่นแหละใช่ไหมมันขาดอารมณ์ดันั้นวอธรรมน้า น, นี้แม้จะเกิดขึ้นโดยอารมณ์ที่มีอายุเหลือหนึ่งขนาดจิตถึงขนานั้นก็ไม่เกิดขึ้น เพราะไม่มีประโยชน์ที่จะต้องทํา<ช>ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องทําก็อารมณ์มันเพียงพอกับการที่จะเป็นปัจจัยคําว่ามหันตารมณ์อะก็ใช่ก็คือมหันตารมนั่นแหละแต่ใช่ก็อันนั้นมันอารมณ์อารมณ์มันเป็นมหันตารมมันไม่ใช่เป็นปริตตารมถ้านอธิบายว่าแบบนั้นก็มีก็มีได้ใช่ใช่ไม่ได้ยกวิธีไว้ แา่นั้นก็มีถาิดว่าีของอาริาเก็ไม่สามารถที่จะเป็นการไม่ได้เลยไม่ไม่ได้เลยก็เพียงว่าก็เพียงว่าไหวแค่นั้นเองแต่ก็รู้ว่าอารมณ์นั้นดีหรือไม่ดีบอกเรียบร้อยเบ็ดเสร็จลก็แปลว่าท่านผู้นั้นเคยทำกรรมดีไม่ดีมาแล้วแต่กรรมประเภทอ่อนๆหน่อยก็แล้วนะประเพีแต่สุดท้ายปลายแถวแล้วมั้งก็ดีเหมือนกันนะนะ แต่อย่าลืมนะเป็นปัจจัยได้เนเะนะย้อนกลับไปเอามาเป็นปัจจัยได้ทีนี้ถ้าหากว่าสันติระาจิตก็เกิดมาก็เพื่อประโยชน์แก่การตัดสินของวธรนาเป็นต้นนะไหมท่านมีความเห็นอย่างนั้นท่านบอกว่าในมัชชิมายุ ก, ก่าจักรุปาสาต์เนี่ยตามความเห็นของท่านท่านเห็นบอกว่ามัชชิมายุก่าจักรุปสาตเนี่ยนะตามโบราณอาจ า, ารย์เนี่ยนะ พเพราะคาว่ามัชิยายุกะจากคูประศาสต์เป็นต้นเนี่ยเขาแปลว่าอะไรมัชิยายุกะแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้ภาษาทารุพที่มีอายุปานกลางหมายถึงการเกิดพร้อมกันกับปัญญารลมหรือรูปอารม์เนี่ยในที่นี้จากคูประสาสต์เกิดพร้อมกันกับรูปารมณและเขาก็จะได้ดับลงพร้อมกันกับรูปารม์นั้นเหตุผลก็คือตรงนี้ไงที่ท่านให้ทีนี้เมื่อจะดับก็ดับส่วนภาษาทารุพอื่นๆอีกสี่สิบแปดรูปนั้นน่ยนะแม้ว่าในเมื่อ อารมณ์มากระทบนั้นจะยังปรากฏอยู่ก็ตามแต่เมื่อว่าโดยอายุแล้วภาษาทรูปบางอันที่เรียกว่ามันทายุกะภาษาทรูปได้ดับไปก่อนแล้ว <ร Plus. S 1> คือเขาดับไปก่อนรูปารมณ์ใช่ไหมฉะนั้นรูปอารมณ์ที่เกิดก่อนและดับไปภาษาทรูปที่เกิดก่อนและดับไปก่อนรูปารมณ์เนี่ยที่เรียกว่าอามันทายุกะภาษาก็คือว่า ร, รูปที่ดับหลังหลังปัญญลมอะจกักรูปภาษาที่ดับหลังรูปารมณ์เนี่ยนะ ท่านจึงไม่ได้จัดว่าเป็นวัตถุปเรชาแตนิสยปัจจัยคือไม่ได้เป็นจักขูวัตถุและก็ไม่ได้เป็นปัจจัยให้กับจักขุญานนจิตสองท่านไม่จัดไว้ท่านถื อ, อยังไงท่านโบราณอาจารย์บอกว่ามันทายุกาจักขุปาสาัสสัดเกิดก่อนใช่ไหมมาคชดเกิดก่อนไหมมันทายุกาจักขุปาสาัสสัดเกิดก่อนอะไรเกิดก่อนรูปารมณ์เมื่อเกิดก่อนรูปารมณ์ก็ต้องดับก่อนรูปารมณ์ใช่ไ ห, ไหม เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่น่าจะเป็นปัจจัยการจักรุญญาณนะใช่ไหมไม่น่าจะเป็นปัจจัยการจักรุญญาณแต่อมันทายุกะเนี่ยมันก็เกิดทีหลังเมื่อเกิดทีหลังนั้นน่ยตัวปัญจลมดับไปก่อนแต่ตัวประสาทนั้นยังอยู่จักรประสาทนั้นยังอยู่ถ้าอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเป็นปัจจัยการจักรุญญาณได้ถึงแม้ว่าจะเกิดก่อนจักรกุญญาณหรือถึงแม้ว่าจะตั้งอยู่ในทิฏฐิปตะในกลุ่มนั้นทิฏฐิขณะมองเห็นใช่ไหม ท่านเนี่ยท่านท่นจึงไม่เป็นวัตถุปเรชาต่นิสยาปจจัยนี่เป็นอย่างนั้นนะส่วนอาจารย์ภายหลังมีความเห็นว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ของภาษาทรูปเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นแถวแถวแต่ประการใดนะอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นหากแต่การเกิดขึ้นเนะี่ยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆเวลาเขาเกิดขึ้นเนะ่เขารวมกันเป็นกลุ่มนะเช่น ในจักขคูภาษาที่เกิดขึ้นเนี่ยที่อุปาที่ทุกๆขนาดของจิตเนี่ยก่อนหน้านั้นเน่ยเขาเกิดเป็นกลุ่มทีนี้ทวิปัญจวิญญาณธาตุจิตตัวบาศเนี่ยที่ต้องอาศัยภาษาทารุบเหล่านั้นมาเกิดขึ้นเนี่ยมีอาจที่จะเจาะจงเลือกเอาได้ฉะนั้นจักขคูวิญญาณโสตวิญญาณขานาวิญญาณชิวหาวิญญาณและกายยวิญญาณเนี่ยเขาไม่ได้ไปเลือกนะว่าเขาจะต้องเกิดกับจักขคูวิญญาณกลุ่มนี้หรือจักรคูภาษาตกลุ่มนี้ที่เป็นอมัญธายุกา จากขูยญยาณที่เป็นมัชิมายุกะจากครูยญยานที่เป็นมรนทายุกะ<ๆ>เขาไม่ได้ไปเลือกทีนี้เขาไม่เลือกก็เป็นอันใด อ, นอันหนึ่งเลยนะเขาท่านไม่ได้จอจงว่าจะเกิดกลุ่มนั้นกลุ่มนี้คงอาศัยถีติปะตะถีติขณะของรูป49นั่นแหละเกิดขึ้นอุปมาเหมือนอะไรอุปมาเหมือนกันกับการขีดไม้ขีดขึ้นจุดไฟเนี่ยนะไฟที่ลุกติดกระหัวไม่ขีด เมื่อจะว่าโดยรูปกระลาบหรือปรามานูแล้วก็จะมีรูปกระลาบหลายหมื่นกระลาบหรือหลายหมื่นปรามานูนะฉะนั้นในขณะที่จุดไฟเป็นต้นน่ยนะจะถือเอาว่าในบรรดาจํานวนรูปกระลาบหมื่นกระลาบหรือหมื่นปรามานูนั้นนะมีไฟกระลาบหนึ่งปรามานูเท่านั้นที่เป็นปัจจัยที่จะทําให้ไฟนั้นติดหรือว่าที่จะทําให้ญ้านั้นติดหรือบุหรีนั้นติดอย่างเงี้ย เราจะไปบอกว่าหนึ่งปรมาณูไม่ได้ส่วนอันอื่นๆมีอาจที่จะทําให้บุหรี่หรือไฟนั้นติดขึ้นมาได้เนี่ยคงเป็นไฟทั้งหมดหรือปรมาณูทั้งหมดนั่นเองที่ทําให้ไฟญ้าไฟบุหรี่เป็นต้นเหล่านั้ น, นติดเกิดขึ้นมาได้ฉะนั้ น, นอาจารย์ภายหลังจึงได้เอาทีติปะตะ4ี่สเป็นวัตถุปเปรชาตานิสยาปจจัยของของจักรกุวิ ญ, ญญาณเป็นต้นของวิญ ญ, ญาณธาตุใช่ ใช่ไม่ได้เอาขนาดใดขนาด น, นคือท่านบอกไปทําไมไปกําหนดละเอียดแยกแยกขนาดนั้นใช่ไหมเพราะจะครูอวิญาณเกิดขึ้นก็ไม่ใช่มีวัตถุประสงค์ว่าจะอาศัยกรลาบเดียวใช่ไหมท่านเห็นท่านอย่างนั้นนี่มองเห็นนะเองไม่รู้จะเห็นชัดกันหรือ่ต้องตรงนี้ให้เข้าใจอย่างนี้นแต่ว่าจริงๆก็คือว่าในยะที่เขาถือกันมากที่สุดก็คือสีสิบเก้าเนี่ยให้เข้าใจอย่างนั้น ทีในรายละเอียดเนะี่ยอยเพิ่งเอามาขยายแล้วขยายไปเยอะมากเลยเนะตรงเนี้ยมันจะมากยิงขยายตรงเนี้ยนะก็มีในรายาละเอียดเยอะถ้าขยายเดี๋ยวก็ตามมาทีนี้วัตถุประสงค์ในการศึกษาภาษาทโรุปสามชนิดเนี่ยสามอย่างเนี่ยมันทายกาุกะอามันทายุกามัชมายุกาเนี่ยให้สังเกตอย่างนี้มันทายุกาเนะี่ยมีสามสิบเจ็ดมัชมายุกานะีมี อามันทายุกาศมี11ส่วนมัชฌิมายุกาศนะัมีหนึ่งใช่ไหมรอมเป็น49่ใช่ไหมทีนี้ภายใน49นี้มีปภาษาธโรคที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมากกระลาบด้วยกันแต่จะเป็นปัจจัยกัตถวิปัญจวิญญาณกิจได้เฉพาะภาษาธโรคที่ถึงถีติขณะสี่ขณะอย่างใดอย่างหนึ่งขณะใ ด, ดขณะหนึ่งนะทีนี้ในในสี่สิบเก้าขณะนี้กระลาบไหนเกิดพร้อมกับอุปาทขณาของตีตะผวังดวงแรกของวิถี ตลาดนั้นเป็นปัจจัยให้คือทวีปัญจวิญญาณในจิตสิเกิดไม่ใช่อันนี้อธิบายตามเขาเนี่ยเหตุที่ต้องปภาษาธารุปสามก็คือสภาวะธรรมที่เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเกิดขึ้ น, นเพื่อจะเป็นปัจจัยกับทวีปัญจวิญญาณในจิตสิไม่ได้เพราะมชิมายุการอย่างเดียวเป็นปัจจัยเกิดกับทวีปัญจวิญญาณได้อันนั้นคือลักในยะาหนึ่งใช่ไหมทีนี้ถีติปัตะภาษาธารุปนี้เป็นมติของอาจารย์ภายหลัง ทิฏฐิปะตะนี่ของภาษาธารุบนี่เป็นมติของอาจารย์ภายหลังเนี่ยของใครเป็นอาจารย์ภายหลังเออทิฏิปัตะเของอาจารย์ภายหลังของโบราณอาจารย์เป็นมติของอาจารย์ภายหลังท่านไม่บอกชื่อไว้ท่านพูดรวมๆไว้ว่าถิตฐิทิฏฐิปะตะสี่ิบเก้าเท่านั้นไม่แยกเป็นสามประเภทส่วนท่านโบราณอาจารย์ท่านแยกทิติปตตะสี่สิบเก้า 49, ไว้สามประเภทตอนว่าโดยในวัตถุปเรชาตปาปจัยเนี่ยนะถามว่าทําไมล่ะ อุปาทัขณะกับทางขณะจึงไม่ไม่นำมานับใน4ี่้าให้ครบห้าสบห้าสเดเสียเพราะอะไรอ่ะเพราะเพราะคำว่าขณะเกิดกับขณะ ด, ดับเนี่ยนะท่านไม่นับเป็นแต่เพียงการเกิดและการดับไปชั่วขณะอายุที่น้อยมากยังไม่มีกําลังพอที่เป็นปัจจัยนี้ได้จึงไม่จึงไม่เป็นภาษาทรุปทั้งสาแต่แรกเออที่จริงตรงนี้เดี๋ยวเมื่อกี้พูดรู้สึกจะตกไปนิดนึงนะที่เขาถือกันโดยส่วนมากคือ ของโบราณอาจารย์เขาถือกันส่วนมากนี่นขอโทษทีท่านถือตามโบราณอาจารย์เนี่ยไม่ได้ถือตามอาจารย์ภายหลังเพราะถ้าโบราณอาจารย์นี่คือผ่านรุษอาจารย์นียฉะนั้นอาจารย์ภายหลังนี่ถ้าไม่ได้บอกไว้ของใครท่านเลยไม่ไม่ถือเอาท่านบอกอาจารย์ภายหลังอาจารย์ภายหลังเน่ต้องต้องให้เข้าใจตรงนั้นเดี๋ยวเกิดจะไปผิดพลาดขึ้นมาโดตรงนี้เมื่อกี้ยังจําผิดไปเลยพูดไปพูดมาหลงประเด็น ดนั้นก็ถือตรงไหนถือมัชชิมายุกะท่านถือตรงนั้นท่านท่านแยง้งที่ว่าแย้งเมื่อกี้เอาประธานมาอ่านเนะี่ยทีนี้เอาเดี๋ยวอ่านดูเดี๋ยวมาให้ช่วยช่วยอ่านที่อ่านในมันทายุกะเนี่ยนะมนทายุกกะในเนี้ยในบรรทัดต่อมามันทายุกกะภาษาจักขุปภาษาเนี่ยได้แก่เนี่ยตรงนี้นะให้สังเกตดูมันทายุกะจักขุภาษาจักขุปภาษ า, กกา ท, ที่มีอายุน้อยกว่ารูปอารมณ์เนี่ยมีสามสิบเจ็ด คือในกลุ่มของจกักรคูภาสาที่เกิดก่อนเกิดก่อนอะไรเกิดก่อนรูปอารมณ์เพราะรูปอารมณ์เกิดที่อุป า, ท, า, าท่าขณะเขาตีถาวางังแต่จกักรคูภาษาเหล่านั้นเกิดก่อนอย่างนี้เขาเรียกอายุน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่านั่นแหละอายุน้อยกว่านี่คืออายุน้อยกว่าจึงได้สามสิเดสนี่ยนับอะไรจิตดวงหนึ่งมีสามขณะใช่ไหมมีสมขณะลองนับโดยที่จิตทั้งหมดกี่ดวงเนะี่ยตั้งแต่ เขาวางดวงแรกต่อจากไอ้ที่เกิดก่อนไอ้ตีตะวังไปสิบสามขนาดใช่ไหมสิบสามนั่นแหละคือสามสิบเจ็ดขณะมองเห็นไหมเอาขนาดเล็กนะท่านข ย, ยันมองเห็นไหมนั่นแหละสมสิบเจ็ดขนานั่นแหละเขาเรียกว่ามันทาโย ก, กะภาษาทรูปสามสิบเจ็ดีมนทาโยกะภาษาทรูปสามสิบเจ็ดทีนี้ส่วนมันชิมาโยกะภาษาทรูปนี่มีสิบเอ็ดสิบเอ็ดนตั้งแต่ไหน คืออมัญทายุกะมี11ขณะนะีเออต้องมาอ่านตะเลิดทีเมื่อกี้ไปอมัญทายุกะจักรุปสาต์ได้แก่จักรุปสาต์ที่มีอายุมากมากกว่ารูปารมณ์ทำไมถึงมากกว่าเหลือมากกว่ามีจํานวน11หมายความว่าจาักรุปส า, าต์กลุ่มนี้เหล่าเนี่ยเกิดหลังรูปารมเพราะรูปารม์ เ, รรมเกิดตรงอุปาทขนาดของอตีตะวังใช่ไหมเกิดตรงรูปอารม์เกิดตรงอุปาทขนาของอตีตะวัง ส่วนภาษาธโรปเกิดที่ถีติขณะของอตีทวังก็เลยต้องคบไปดับก็ต้องดับทีหลังกลุ่มของภาษาตกลุ่มนี้กลุ่มของจักรุประศาสตรกลุ่มเนี้ทําไมนับแค่11บอกเพียงพอแกการที่เขาจะเกิดก่อนเกิดก่อนจกกักรุยานนั่นเองใช่ไหมนี่1ิส่วนมัชชิมายุกาก็ได้แก่จักรุประศาส์ที่มีอายุเท่ากับรูบารล ม, มีจํานวน4ี่หนึ่งเท่านั้นนะ่ย หมายความว่าจากขูปศาสตรรูปเนี้เกิดพร้อมกันกับรูปารมณ์ที่เกิดตรงอุปาทถขณะข้อัติตะวังแล้วก็ไปดับพร้อมกันกับดับพร้อมกันกับรูปารมณ์เหมือนกันอยู่เพราะอายุของรูปเขาเท่ากันอยู่แล้วไม่ได้สิเขาเกิดพร้อมไงคาว่ามัชิมายุกาเขาแปลว่าพร้อมพร้อมในที่นั้นก็คือพร้อมกับรูปารมณ์นะคำว่ารูปารมณ์ก็ต้องปรากฏที่อุปาทถขณะข้อัติตะวังอยู่แล้ว จะไปเกิดที่วังกจัจารณะไม่ได้ที่พวังกจัจารณะนั้นเป็นการอธิบายวิถีว่าอารมณ์นั้นวิ่งเข้าสู่ครองของจักรุประสาร์แล้วเขาเข้าถึงครองประสาทแล้วแต่ในที่นี้แปลว่าอารมณ์เกิดแล้วนะทีนี้พอถึงตรงเนี้ประศาสตรทั้งโูปสามชนิดเนี่ยปราศาสตร์ทักสามชนิดนี้มันทายุก่าปราสาสตร์ทและอมันทายุก่าปราสาสตร์ทมีจํานวนเปลี่ยนแป ล, ปลงไปตามวิศยาพวติทั้งสามคือไปเป็น อติมหันตารมมหันตารมณหรือปริตอารมณเนี่ยให้มันทายุกะเปิดเจากุปัสสานี่นะจะลดลงหรืออ่ามันทายุกะจะเพิ่มขึ้ น, นก็เป็นไปตามจํานวนของอติแต่พวังใช่ไหมจะเป็นไปตามจํานวนอติแต่พวังเมื่อมีอติแต่วังสองขณะมันทายุกะเจากุพัสสานก็จะต้องลดลงสมสมมุติถ้ามีอติต่วังสองขนาดสิไอตัวมัชชิมายุก ะ, กะก็เลื่อนขึ้นมาอยู่ที่พวังดวงแรกที่ปาท่ขนาดของพวังดวงแรก ไอตัวมัชชิมายุกะกะไอตัวมันทายุกกะก็ลดลงสามเห็นไหมจากสามสิบเจ็ดถ้าออกสามขณะเหลือเท่าไร่เหลือสามสิบสี่เหลือสามสิบสี่ส่วนอามันทายุกกะจากกุปาาระก็เพิ่ ม, มเพิ่มจากสิบเอ็ดเป็นสิบส<อ>ี่ขณะเห็นไหมส่วนมัชชิมายุกกะก็คงที่นัน่นแหละวิ่งไปตามอัตตตวังว่ดวงแรกอยู่ตรงไหนเขาก็จะไปเกิดที่อุปาทัศขณะของอัตติวัวงนั้นนี่เข้าใจอย่างนั้นมองเห็นใช่ไหม แล้วต่อไปต้องให้ทําวิถีมาแล เ, เออนี่นี่มาอีกหน้าหนึ่งนี่นี่มาดูหน้าที่สิบสามจากขุทวาริกะปฐมมหันตารมวิถีชาวนาวาราเนี่ยให้สังเกตดูวยนะมชิมายุกะมายุ<ม>ใช่วิถีที่หนึ่งของมหัตารมวิถีที่มีอธิษฐานสองขนาดเ น, นเข้าใจอย่างนั้นท่านในจากขุทวาริกะปฐมมหันตารมวิถีเนี่ยมันทายุกาจากขุพัสสาเนี่ยจากขุพัสสาที่มีอายุน้อยกว่า น้อยกว่ารูปารมณ์เนี่ยนะฮะก็เหลือสามเนื่องจากมัชมายุกะจากขุปัสสานั้นเน่ยเลื่อนมาอยู่ที่อตีตวงังอุปาทขนาดของอตีตวงังทีนี้ในวิถีนี้ในมหมันตารมวิถีปฐ ม, มหมันตารมวิถีวิถีแรกเนี่ยอตีตะวังมีสองขนาดใช่ไหมเมื่อมีสองขนาดเนี่ยตัวมันทายุกะประจุจากขุประสาก็โดนโดสก็เสียไปสระหนึ่งดวงหนึ่งขนาดจิต ในหนึ่งขณะจิตนั้นจกักรคประสาทเกิดได้สามกลุ่มใช่ไหมสามกลุ่มสมทีนี้ส่วนอมันทายุ ก, กาจักขุประสาทในอติมันตะรมวิถีมีกี่ขณะมีสิอขณะทีนี้พอเพิ่มพอขยายตัวออกมาอีกก็เลยกลายเป็นสิบสีขณะส่วนมัชิมายุกา ก, าก็หนึ่งตามเดิมนะมชิมายุกาจักขคูประสาทเป็นปัจจัยแก่จกักรคุยาณในจิตสองสัพพะจิตตาส า, าระเจสิกเกตตาโบราณอาจารย์ในที่ ที่ถือเป็นส่วนมากส่วนทิติปตาสี่สิบเก้าจากกุญญาณจิตเป็นปัจจัยแก่จากกุยานจิตสองสัพพจิตาสาสราเจสเกตเนี่ยตามมติของอาจารย์ายหลังเนี่ยก็ถูกรถเอถูกถูกเอก็ถ้าไปดูตามมันธามัมนธามัชฌิมาเนี่ยที่จริงตัวนี้ก็คงที่นะสี่สิบเก้าเนี่ยทาบราณอาจารย์ก็คงที่ท่านท่านม่ถือตรงนั้นนี่เป็นอย่างนั้นส่วนถ้าหากใน ในทุติยะมหันตารมวิถีเชลนาวาระเป็นวิถีที่สองก็ต้องต้องขยายไปตามลําดับนะเอาถ้าถ้าสมมติมีอตีตะวังสามขนาดเนี่ยถ้าหากว่ามีถ้าหากว่าเป็นที่มีอตีตะวังสามขนาดที่เป็นมหันตารมิธีเชลนาวาระเนี่ยถามว่ามันทายุกะกาจะาคกกาาุูปัสสาจะเหลือเท่าไหร่เหลือสามส็ใช่ไหมอ่ะมันทายุกะกาจะครูปัสสาจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เป็น17บเจดมีนะให้รู้อย่างนั้น เลื่อนขึ้นหรือลงนั้นเป็นไปตามเป็นไปตามอตีตวังมีมากหรือมีน้อยอารมณ์ไหนอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ไม่เข้าใจประเด็นเลยต้องถามใหม่ดิอารมณ์ไหนรูปอ า, ารมณ์รูปอารมณนั้นปรากฏครั้งแรกที่ไหนที่อุปาถะขนาดของอตีแต่ระวังทุกวิถีเลยใช่ไหมจะต้องปรากฏครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นอติมหันตารมวิถีก็ต้องอตีแต่วังดวงแรกมหันตารมณ์วิถี ปาริตารมวิถีหรืออติปาริตารมวิถีเนี่ยรูปารมณ์เป็นต้นจะจ้องปากฏที่ครั้งแรกที่อุปาทัศขณะของตีตวังตรงแรกแต่เขาจะผ่านไปเท่าไหร่เสียไปเท่าไหร่จรึงเข้าสู่คลองของประสาทอันนั้นก็แล้วแต่อารมณ์อะไรถ้าตีมหันตารมก็ผ่านไปหนึ่งขณะจิตก็เข้าสู่คลองของประสาทถ้ามหันตารมก็สองขณะหรือสามขณะถ้าหากว่าปริตารมก็คือสี่ใช่ไหมเป็นต้นไป อติปรเริฐอารมณ์ก็คือสิบใช่ไหมตรงไหนอะไรซ้อนอ๋อหมายความว่าทําไมจากขรุษศาสตรกคารูปอารมณ์จึงจึงซ้อนกันแบบไหนมโมมาเกิดในวิถีเดียวงี้เนาะอ๋อเอาอย่างนะอ เ, อาเอาอย่างนี้ว่ารู้ความเป็นจริงถามว่านในปัจจุบันนี้รู้อารมณ์เกิดอยู่ไหมรู้อารมณ์เกิดอยู่ตลอดเวลาไหมเกิดจากขรุษศาสตร์เกิดตลอดเวลาไหมจากขรุษศาสตร์ต้องเกิดตลอดเวลา ถึงหลับตาจาักรุปัสสาก็เกิดลืมตาก็เกิดนอนหลับก็เกิดเกิดดับอยู่ตลอดเวลาตัวจักรุปัสสากเพราะจักรุปัสสากเป็นกรรมชรรรมชื้อรกรมมชื้อโรคนี่เกิดขึ้นทุกๆขณะของจิตจิตดวงหนึ่งมีสามขณะใช่ไหมคืออุปาทัขณะถีติขณะแล้วพังคัคขณะที่อุปาทัขณะตัวกรรมมชื้อโรคนี่ก็เกิดจักรุปัสสากเป็นกรมมชื้อโรคด้วยก็เกิดที่ถีติขณะคือขณะการตั้งอยู่ เมื่อตั้งอยู่เนี่ยในความแปรปวนปรากฏนั่นเลยไอ้ตรงนั้นแหละเมื่อเมื่อขนาดตั้งอยู่นีจักรูปศาสาทก็เกิดเสื่นในขณะที่พังค่าขนาดคือขนาดดับของจิตจักรูปศาสาทก็เกิดทีนี้รูปารมณ์เนี่ยนะที่เขาเข้าสู่คล้องเนี่ยที่มีอธิตะหว้วงเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่การว่าเขาจะเป็นปัจจัยให้กับวิถีจิตเป็นไปเมื่อเขามาปรากฏตรงไหนในทีนี้มาปรากฏที่อุปาทัศนาของอดีตะห้ัง ดนั้นการปรากฏตรงไหนก็ต้องพร้อมเงินแก่จักขคู่ประสาทอยู่แล้วเพราะจักขคู่ประสาทเกิดทุกๆขณะของจิตนี่จักขคู่ประสาทเขาเกิดตลอดเวลาอยู่แล้วในในในสัตว์ผู้นั้นในบุคคลคนนั้นในสัตว์เหล่านั้นเขาเกิดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคือตามธรรมดาเนี่ยเขาเกิดเป็นปกตินะครับเพราะคนเรายังมีกรมาชรูปกรรมชืรูปยังไม่ดับมันก็ต้องเป็นไปใช่ไหมความเป็นไปของจิตใจสิตกระรูปเนี่ยไม่ขาดสายต้องเข้าใจคาว่าไม่ขาดสาย นั้นวิถีจิตเอยเจตสิกเอยรูปเอยเนี่ยเขาก็เป็นไปตามปกติแบบนี้ทีนี้รูปารมณ์นั้นนจะเข้าสู่คลองของทวารหรือไม่นั้นก็ว่าไปรูปอารมณ์เยอะแยะหมดใช่ไหมที่ไม่เข้าสู่คลองทวารตาเนี่ยแต่รูปอารมณ์ในที่เนี้เข้ามาสู่คลองทวารตาแล้วก็มาปรากฏปรากฏครั้งแรกกัที่อุปาทัศนาของอธีษฐพวังเออตรงนั้นก็มีจากขู่ประสาทเกิดอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็มีหลังนี้ก็มี ฉะนั้นพอมาเกิดพร้อมกันตรงนี้ต่างหากจึงเรียกว่าจึงเรียกปภาษาธรูปนั้นว่าเป็นมัชิมายุกาจักขุปัสสัดอันอย่างนี้เรียกว่ามันทายุกาจักขุปัสสัดถ้าเกิดหลังเารียกว่ใช่ถ้าไหนเกิดหลังก็เรียกอมันทายุกาจักขุปัสสัดต้องมองเห็นอย่างนั้นโอ้ยเป็นตามปกติอยู่แล้วความเป็นไปไม่ขาดสายของขันธาตุอายตนะจักขุจักขุประสสทนีว่าด้วยขันเป็นขันอะไร เป็นรูปขัน่ว่าโดยอายตนะเป็นจักขายายตนะว่าโดยธาตุเป็นจักขู่ธาตุเนี่ยเขาเรียกความเป็นไปของขันธาตุอายตนะไม่ขาดสายเนี่ยเขาเรียกว่าสังสารวัติจักขูวิญญาณเป็นมนายตนะใช่จักขูวิญญาณเป็นมนาอายตนะเป็นวิญญาณขันเป็นจักขูวิญญาณธาตุใช่สัพพจิตตาส า, าระนาเจ1ิ ก, กที่ประกอบเป็น มีเวทนาขันมีสัญญาขันอีกห้าดวงเป็นสังขารขันส่วนอายตนะเป็นธรรมาอายตนะว่าโดยธาตุเป็นธรรมมาธาตุนี่เขาเรียกความเป็นไปของขันธาตุอายตนะไม่ขาดสายอย่างนี้เขาเรียกว่าสังสารวัตรเป็นไปนี่เป็นอย่างนั้นน่าดีใจไหมสังสารวัตรที่ยืดยาวปัจนนี้เนี่ยบางทีก็สร้างความเจ็บปวดนะไอ้สังสารวัตรเนี่ยนี ให้กษัตริย์เหล่านั้นที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยนะโอ้เจ็บปวดมากมันมันเป็นไปต้องเขาอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่ขาดสายใช่ไหมแต่ถามว่าใครจะมนุษย์การจะมีโหนิโมนสมมนุษยการกับรูปารมณ์เป็นต้นเหล่านั้นไหมที่มากระทบเนี่ยถ้ามีโยนิโมนสมมนุิการกุศลเฉนิมก็เป็นไปสําหรับปุรุชนทั้งหลายนะครับถ้าอายโหนิโมนสมมนุิการเกิดขึ้นทํากิจวุธิทวนาเป็นต้นก็อกุศลเฉนิมก็เป็นไป มันก็จะเป็นอย่างนี้เมื่อกุศลอกุศลเป็นไปแล้วแปลบ่งบอกว่ากรรมนะถ้าเหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นทํากรรมแล้วถ้าเป็นกุศลเมื่ออกุศลก็เป็นกุศลกรรมอกุศลแกรรมทีนี้กุศลกรรมให้วิบากขาวกรรมขาวให้วิบากขาวใช่ไหมอกุศลกรรมก็เป็นกรรมดําให้วิบากดําถ้าผสมผสมอย่างพวกเรานี่แหละกรรมทั้งดําทั้งขาวให้วิบากทั้งดําทและขาวปนกันหมดเลยน้ําใสบ้างน้ําคนั่นก็เลยไ พวกเราเลยพึ่งจะมาเจริญสติปัฏฐานโอกเจริญอะไรเจริญกรรมไม่ดำไม่ขาวเพื่อวิบะไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมือเจริญอะไรสติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าพุทชงเจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดก็พยายามบ่มอัธยาศัยกันบอกไม่เอาแล้วว่าวิบากขาวก็ไม่เอา แต่ตอนนี้พึ่งวิบากขาวไว้ก่อนเนอะถ้าได้วิบากดํามาเลยนี่มองไองพูดถึงแล้วถ้าลองดูที่ตาก็เป็นตาของสัตว์ติลฉานหูก็เป็นหูของสัตว์ติลฉานตาหูจมูกเล้นกายและใจก็เป็นใจของสัตว์ติลฉานนี่โหเสียเลยเราจะบอกน้ําตาไหลเลยเนอะถ้าไปเกิดเป็นนบัยสัตว์เนี่ยพอจะตรึกนึกอะไรได้บ้างเอ้ยทาไมใช่ไหมเราก็ไปที่ไปนั่งมอง มองหนะ้าพระก็ไม่รู้จักพระได้แต่ว่าคุ้นๆผ้าเหลืองนี่คุ้นๆมันมีแค่นั้นเนะ่ยเคยคุ้นๆนะนนะเอ๊ะเคยมองอนะเนี่ยเคยมองจริงๆมันก็วตามันมืดมืดมนยริงเลนะไม่กระจ่างเลยเนะี่ยสําหรับคนที่ยังมีโมหะอยู่เนะี่ยว่าไม่กระจ่างสงสัยบ้างอุทธจฉาบ้างไปนี่พอจะมองเห็นนะส่วนฉัฏฐปริตตารมิถีวัฏทพนวาละคําว่าฉัฏฐปริตตารมิถีวัฏทพนวะละแปลว่าอะไรเนะี่ย มีอตีตะวังเท่าไรวิถีที่6กเนี่ยมีตีตะวังเท่าไรเท่าไหรเนี่ยมีเก้านะจากสี่ถึงเก้าอันนี้อันที่6กเนี่ยก็คือเก้าเลยลเนี่ยมีอตีตะวังเก้าขณะดใช่ไหมฉะนั้นเมื่อมีอตีตะวังเก้าขณะแล้วเนี่ยมัชชิมายุกาศจากขุปศาสตร์จึงวิ่งมาอยู่ที่อยู่ปายทาขณะของอตีตะวังดวงแรกเลยโอ้โหพออย่างนี้แล้วมันทายุกาศจากขุปศาสตร์เนี่ยจากเคยสาสิบเจ็ดในอตีมหันตระมิตีลดรวบลงเลย เหลือเท่าไหร่เหลือสิบสามเองส่วนอมัญทายุกาจจกุปสัสสัดเนี่ยจากสิบเอขนาดในติมหันตารมิถีเพิ่มขึ้นเป็นสามสิบห้าลองเห็นยังไงเนี่ยให้รู้ว่าตามมติของอาจารย์ท่านโบราณอาจารย์เนี่ยต้องการจะชี้ให้เห็นว่าสามสิบห้าไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จักขุญาณนะสิบสามก็ไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จกักขุญญาณ น, น ะ, นะณนนะต้องหนึ่งขนาดที่อุปาทขนาดของ ของอธิษฐานดวงแรกนี้ต่างหากจึงจะเป็นปัจจัยเป็นที่อาศัยกับจกักรคญญาณในจิตสองแล้วก็สัพพะิตตาสาธาะเจศเจ็ดโดยความเป็นวัตถุด้วยคือเป็นจกักขควัตถุไงวัตถุด้วยกเกิดก่อนด้วยวัตถุเปรียชาตานิสยะคือเป็นที่อาศัยให้กับจักรคุ ญ, ญาณในจิตสองพร้อมธรรมที่ประกอบนี่เป็นยังไงไม่ใช่ได้ปัจจัยนี้ปัจจัยเดียวนะ วัตถุปเรชาตาวัตถุปเรชาตานิสยะวัตถุปเรชาตาวิปยุตเป็นไหมนะเออทำไมจะไม่เป็นล่ะจากขูวิญญาณนะจิต ไ, ไ, ไอตัวจากจากขุประศาสเนี่ยถามว่าเป็นที่อาศัยกับจากขูวิญญาณใช่ไหมประกอบกับจากขูวิญญาณได้ไหมไม่ได้ที่รูปกระน้ำประกอบได้ไงเป็นวิปยุตแปลเป็นวิปยุตไม่ได้ประกอบเป็นได้แค่ที่อาศัยใช่ไหมงั้นก็เอาแค่นี้นะทั้งนั้นน่เพราะมัน เพราะว่าตรงนี้เอาเข้าใจแค่ตรงนี้ก่อนไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วมั้งมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยไม่มีแล้วเนียเออให้เข้าใจโดยสรุปตรงนี้ก็คือว่าในวิธีจิตทางใช่ทีนี้ถามว่าถ้าจะให้ไปดูเน่ะถ้าให้พวกเราทั้งหลายบอกว่าลองไปทามาที่ยงเนี่ยโหทากันยาวเล ย, เยทําถกไหมเนี่ยจะใส่เท่าไหร่เท่าไหร่ลองทำมาดูสักสองตัวอย่างนะหนึ่ง คือทําอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ทําแบบนี้สิทาในที่นี้จักขุทวาริกะตีมหันตารมวิถีไม่ต้องทําไม่ต้องทําส่วนจักขุทวาริกประปดมมหันตารมวิถีก็ไม่ต้องทําแต่ทําทุติยามหันตารมวิถีคือมหันตารมวิถีวิถีที่สองอนะที่มีอตีตะวังสามขนางทํามาดูแล้วก็ปริตารมวิถีที่เป็นวิถีแรกเออไม่ใช่ที่เป็นวิถีที่อันนี้เขาที่6ใช่ไหม เอาวิถีที่เอาวิถีที่สี่ก็ไดนะ้ที่สี่ของปริตารมวิถีอ่ะลองไปทํา ม, มาดูดิว่าจะทําถูกไหมกับวิถีที่สองของมหันตารมวิถีลองลองทํา ม, มาดูดิทําดูจากขูปศาสตรเนี่ยนะดูจากขูปศาสตร์สามชนิดเนะี่ยเออสามอย่างเอาจากขูปศาสตรนี่ยนะใช่เลยแต่ว่าจะทําถูกไหมคิ ด, คดว่าทํายากไหมไม่ยากใช่ไหมถ้าถ้าถ้าถ <c oughs> ้าไม่ให้ดู อ๋อ oh, ไม่ยากนะไม่ยากนะอ้าวไม่ยากก็ว่าไปเอวันนี้มดุลาแลวเนี่ย